เมื่อวานก็ได้เชิญชวนให้ใช้เวลาในช่วงคำมัลสานนี้ให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจของตัวเองนั่นคือว่าให้ใช้เวลาสําหรับการบําเพ็ญภาวนาเจริญสติอันนี้ก็จะมีคําถามมาว่าแล้ววันหนึ่งนี่จะภาวนาหรือว่าเจริญสติกี่ชั่วโมงก็เคยถามคําถามนี้กับหลวงพ่อเทียนเหมือนกันตอนที่ไป ปฏิบัติกับท่านวันแรกเลยท่านก็มาให้อารมณ์ท่านก็ให้สั้นๆให้รู้กายรู้กายเคลื่อนไหวหรู้ใจคิดนึกก็ถามท่านว่าแล้วจะต้องปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงท่านก็ตอบว่าทำทั้งวันแหละตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนไปเลยฟังแล้วก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าตั้งใจว่าปฏิบัติเต็มที่ก็คงจะ หลังชั้น9โมงถึง4โมงเย็นคือปฏิบัติแบบมีเวลาทําการออฟฟิศเอาไปเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าที่จริงแล้วการปฏิ บ, บัติมันต้องทําให้ต่อเนื่องและการปฏิบัติแบบเจริญสติเนี่ยมันทําได้นะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับจิตนะถ้าเป็นเรื่องการบังคับจิต เช่นให้บังคับจิตอยู่กับลมหายใจหรือบังคับจิตให้อยู่กับอิริยบทอันนี้นี่มันอาจจะทําได้ไม่ตลอดทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าเราเพียงแต่ว่าตามดูตามรู้ตามเห็นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากคือถ้าเผลอก็ให้รู้ว่าเผลอแล้ลึกรู้การแลลึกรู้เนี่ยมันเป็นการแลรู้ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถ้าทำถูกต้องแล้วมาเป็นการระลึกรูุที่เกิดขึ้นในธรรมชาติไม่ได้จงใจไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําได้ทั้งวันแต่ถ้าเราพยายามตั้งใจหรือเราพยายามบริกรรมหรือพยายามเพ่งเนี่ยมันทําได้แค่สองสามชั่วโมงก็เหนื่อยละแล้วถ้ายังทําต่อไปก็จะรู้สึกเครียดขึ้นมาเพราะมันต้องใช้กําลังในการไปบังคับจิต แต่ว่าการเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อเตียนท่านสอนเป็นการให้ทำด้วยความรู้สึกผ่อนคลายท่านก็พูดอยู่เสมอว่าให้ทำเล่นๆแต่ทำจริงๆทาเล่นๆแต่ทาจริงๆเล่นๆในที่นี้หมายถึงว่าไม่จ้องไม่เพ่งแล้วก็ไม่คิดจะเอาไม่คิดจะได้ คนเราถ้าเราจ้องเพ่งหรือว่าคิดจะเอาคิดจะให้ได้สติวันนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องปิ๊งเรื่องจังขึ้นมาแล้วพอเผลอก็จะเริ่มห ง, งุดหงิดเริ่มหงุดหงิดที่ตัวเองเผลอถ้ายังเผลอต่อไปก็จะเริ่มไม่พอใจตัวเองมีความคิดอยากจะเอาชนะต่อสู้กับความคิดกับความฟุ้งซ่านมันก็เริ่มกลายเป็นเรื่องแพ้เรื่องชนะไปมีเรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องว่าฉันต้องไม่แพ้ฉันต้องไม่แพ้ฉันต้องชนะ แล้วพอมันมีความหยาบแบบนี้แล้วจิตมันก็จะเริ่มมีการปฏิเสธผักไสอาการบางอย่างภาวะบางอย่างอาการปฏิเสธผักไสภาวะที่ฟุง้งซ่านไม่ชอบเนี่ยตัวมันเองมันก็แสดงว่าไม่มีสติแล้วถ้ามีสติเกับความไม่ชอบมีสติรู้ความไม่ชอบอาการที่เปียกผักไสก็ยังดนะีก็ถือว่าได้ประโยชนแ์แต่ส่วนใหญ่มันก็ปรุงต่อไปเรื่อยๆจากความงุนงิด จากความไม่ชอบเป็นหงุดหงิดจากความหงุดหงิดเกิดเป็นโทสะสุดท้ายก็อาจจะทําในสิ่งที่เรียกว่าลืมตัวตไม่ใช่แค่ลืมตัวในทางความรู้สึกนึกคิดแต่ว่าบางทีก็ลืมตัวแม้กระทั่งในการกระทําอย่างเช่นหลวงพ่อคำเขีเยวเคยเล่าเห็นหลวงพ่อท่านหนึ่งนะท่านปฏิบัติตั้งจังใจปฏิบัติมากแต่ว่าไปๆมาม า, มาเห็นบางทีก็เห็นท่านเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเอง พาไปกะบน่นว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินเนาะคิดมากเหลือเกินอันนี้เรียกว่าลืมตัวทีจริงก็ลืมตั้งแต่ตอนฟุ้งซ่านแล้วละ่ะความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นมาเยอะแต่ว่าไม่รู้ไม่สามารถที่จะระลึกได้ทันก็เลยปรุงมาเป็นความหงุดหงิดจากความหงุดหงิดก็ยังไม่รู้อีกไม่รู้ทันความหงุดหงิดมันก็เลยกลายเป็นโทสะแล้วจากโทสะคนนี้มันไม่ใช่แค่ โสะในใจเท่านั้นแต่ว่ามันแสดงอาการออกมาเป็นการทำร้ายตัวเองนันเอาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อหวังจะได้ความสุขความสงบแต่ว่าถ้าทำให้เป็นนี่ก็อาจจะฟุง้งซ่านอาจจะทุกข์ยิ่งกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเดสม์ซามต้องการความรู้สึกตัวแต่ว่ากลับลืมตัวยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเดสม์ซามอันนี้เพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะความอยากให้ความอยาก จะให้ได้อย่างนี้อย่างนั้นเช่นอยากจะให้มีสติวไวๆให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านมันเป็นอุปทานเป็นความยึดติดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราหลงเข้าไปมันก็ทําให้เรามีปัญหายิ่งกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติอาจจะมีโทสะยิ่กว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติด้ยซ้ําเพราะว่าความผิดหวังมันไม่ได้ดังใจที่เราสวดมนตอนเชา้าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นฉันรู้ว่าทีนี้ก็แนะจากประสบการณ์ของท่าน นะที่มีใบายาวนานว่าให้ทําเล่นๆแต่ทําเล่นๆคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าทําไปแล้วก็หยุดทำทำหยุดหุดนะทำสักประเดี๋ยวเดียวก็หยุดละเหมือนกับเด็กเล่นได้สอนาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งเบื่อแล้วก็หยุดไปหาอย่างอื่นทำที่มันเป็นของแปลกของใหม่แต่ตรงนี้แหละที่หลวงพ่อเชนญยามาต้องทําจริงๆก็คือทําทั้งวันนะทำเล่นๆแต่ทําจริงๆหรือว่าทําเล่นๆแต่ทําเรื่อยๆ มันเป็นศิลปะนะว่าจะเชื่อมการทำเล่นเล่นและทำจริงๆให้เข้ามาอยู่ในเนื้อตัวเราได้ในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเพราะส่วนใหญ่ทำเล่นเล่นก็มันทำทำหยุดหยุดนะหรือว่าถ้าทำจริงจังก็ไม่รู้สึกว่าจะผ่อนคลายเท่าไหร่แต่หลวงพ่อเทียนแนะให้ทำอย่างไม่จริงจังแต่ว่าทำด้วยความต่อเนื่องเบื่อก็ทาไม่เบื่อก็ทาฝนตก แดดออกก็ทำทำไปเรื off, ่อยๆไม่หยุดทําไปเรื่อยๆด้วยใจที่ปล่อยวางพูดง่ายๆคราวนี้การเจริญสติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าสติเนี่ยมันหมายถึงอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่พอพูดเรื่องสติทีแรกก็อาจจะดูเหมือนเข้าใจแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการเจริญสติก็ชักไม่แน่ใจเวล้วว่าที่ตัวเองเข้าใจหรือเปล่าส่วนหนึ่งก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อวานว่าสติคือความ ระได้จําได้ซึ่งก็มีกันทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ใช้สติในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่ว่าสติที่เราปฏิบัติในที่นี้จะเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานก็ได้หรือว่าเป็นสัมมาสติสติมันก็มีทั้งสัมมาและมิจฉานะีความระลึกได้ในสิ่งที่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่ระลึกขึ้นมาแล้วมันเกิดทุกข์หรือว่าเราเห็นภาพที่เป็นไปในทางที่กระตุ้นกําหนัดผ่านไปแล้วก็ยังเก็บเอามาคิด ยางระลึกนึกถึงอนนั้นก็มิจฉาสติหรือว่าถูกคนด่าว่าผ่านไปแล้วเป็นปีปีบางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงพอนึกถึงแล้วก็เกิดโทสะขึ้นมานั่นก็เป็นสติเมอนกันนะแต่ว่าเป็นความระลึกนึกถึงในทางที่ทำให้เกิดจิตอกุศลก็เรียกเป็นมิจฉาสติสติหลายอย่างที่เราใช้กันมันก็เป็นเรื่องของการระลึกเรื่องนอกตัว สติที่เราต้องการเน้นในที่นี้ซึ่งคนยังไม่ค่อยได้ทำกันเท่าที่ควรปล่อยปะแล้วเลยกันมากก็คือความระลึกรู้ในกายและใจในกายคือการทำเรียบบทการเคลื่อนไหวหรือการกระทําต่างๆที่ทำด้วยกายซึ่งรวมถึงวาจาด้วยกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจคิดนึกก็รู้แต่ถ้าไม่มีความนึกคิดเกิดขึ้นอะไรก็ มีสติดูกายไปคือ น, นี้ดูกายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของสติอันหนึง่งนอกเหนือจากการระลึกรู้ระลึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือจําระลึกได้ว่าเมื่อกี้กําลังทําอะไรอยู่เมื่อกี้กาลังสวดมนต์ธรรมบ้าอยู่แต่และใจเผลอไปแล้วอ่านี่ไม่มีสติหรือว่าระลึกจําอารมณ์ได้จําสภาวะของอารมณ์ต่างๆได้นี่ก็สติแต่หน้าที่ของมันอีกอันหนึ่งซึ่งใกล้เคียงก็คือก็ว่า ก, ก็คือการ ตามดูตามรู้ตามเห็นอันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสนะภิสุว่าเนี่ยท่านเคยถามว่าภิกษุจงเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมือ่อก็ถามว่าหมายความว่ายังไงมีสติทุกเมือ่อท่านก็อธิบายว่าก็คือตามดูกายในกายมีความเปลี่ยนเผากิเลสมีสัพชัญญะตามดูกายในกายสา ม, มารถนออกเสียได้ซึ่งอภิชัและโทมนัส แล้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตตามดูธรรมในธรรมแล้วก็จะพูดเหมือนกันว่านําออกเสียซึ่งพิช a l และรร ม, ม น, นักตามดูในที่นี้มันมันไม่ใช่เรื่อ ง, องการระลึกได้แต่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าถ้าตามดูได้มันก็ต้องระลึกระลึกเมื่อเวลเาเผลอเพราะถ้าระลึกไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถจะตามดูได้อย่างต่อนเนื่องแต่ตามดูในที่นี้ก็ให้เข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงการจี้จี้เข้าไป เพื่อที่จะดูให้มันชัดๆนะเพื่อให้มันเห็นชัดๆไม่ใช่มันจะก็จะกลายเป็นเพ่งตามดูในที่นี้หมายความว่าเมื่อมีเรียบร้อยเกิดใหม่เกิดขึ้นตอนที่มันเกิดขึ้นก็ยังไม่รู้หรอกหรือตอนที่ขยับมือไปก็ยังไม่รู้หรอกแต่พอขยับแล้วก็รู้แล้วหรือว่าตอนที่มันเริ่มคิดเนี่ยก็ไม่รู้หรอกแต่พอคิดไปก็รู้หรือรู้ทีหลังรู้ตามมาทีหลังอันนี้เรียกว่าตามดูตามเห็นตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องการระลึกรู้ ทีเดียวนะแต่ว่าก็เป็นหน้าที่หนึ่งของสติคือตามดูหรือว่าเป็นที่หลวงพ่อําเคล้นให้ว่าเนี่ยให้เป็นผู้เห็นผู้เห็นในที่เนี้คืองานของสติซึ่งก็ผู้ระลึกรู้ได้เนี่ยก็สติเหมือนกันอย่างสตินี่มันทำหน้าที่หลายอย่างมีบางท่านก็อธิบายให้เป็นวิชาการลักซึ่งครอบคลุมได้ดีก็คือว่าหน้าที่ของสตินี่มีหนึ่งก็คือการดึงอารมณ์มาสู่จิต อารมณ์ในที่นี้หมายถึงภาพหรือวัตถุที่เห็นก็ได้หมายถึงเสียงที่ได้ยินก็ได้หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในความจําก็ได้อย่างเช่นเราจําเรื่องอะไรได้เวลานึกถึงจําเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้จําวันเกิดเพื่อนได้อันนี้ก็คือว่าดึงเอาข้อมูลที่อยู่ในความจำเนี่ยออกมาสู่การระลึก ข, ของจิตอันนี้เรียกว่าดึงอารมณ์มาสู่จิตการระลึกได้เนี่ยจะทําหน้าที่อย่า น, นี้คือการดึงอารมณ์มาสู่จิตเหมือนกับว่า เราเก็บข้อมูลความทรงจําไว้ในสมองพอถึงเวลาจะใช้ก็ดึงมาได้ตูวการรับรู้ของจิตหรือว่าเวลาเราจะพิจารณาเช่นบางคนก็ทํากรรมฐานด้วยการดูโดยการเพ่งที่วัตถุทีท่เรากระสินอันนี้ก็เรียกว่าดึงอารมณ์มาสู่จิตได้สติก็ทําหน้าที่นี้อีกอันนึงคือทําหน้าที่กํากับจิตให้อยู่กับอารมณ์ อารมณ์ในที่นี้อาจจะหมายถึงอิเลียบทการเคลื่อนไหวอาจจะหมายถึงลมหายใจจะหมายถึงเสียงที่ได้ยินอย่างที่ว่าไปแล้วอันนี้สติก็ทําให้าที่กำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์ก็คือว่าเวลาจะตามลมหายใจสติก็ทําให้จิตเนี่ยอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องหรืออิเลียบทการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวมือไปมาอันนี้ก็เป็นอารมณ์ถ้าไม่มีสติหรือสติออเนี่ยจิตมันก็เตลิดเปิดเปลืงไปมันไม่อยู่กับอารมณ์มันไม่อยู่กลารเคลื่อนไหว มันไม่เกิดอาการที่เรียกว่าตามดูแต่สติเนี่ยที่เข้มแข็งฉับไวก็จะทาหน้าที่กากับจิตให้อยู่กับอารมณ์ได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการตามดูก็จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ดีจะดูอะไรก็ตามนั้นจะเป็นรูปจะเป็นกายหรือรูปจะเป็นเวทนาหรือจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดก็ได้ทั้ง น, นั้นมันก็ตามดูได้ แต่ว่าตามดูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าส ต, ติไม่ดีไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็เข้าไปจมอยู่ในนั้นก็มีถันลังเข้าไปก็มีไหลเข้าไปก็มีเช่นตามดูเวทนาตามดูเวทนาความเจ็บปวดเวทนาความเจ็บปวดเกิดขึ้นเนี่ยไปดูมันพอดูไม่เป็นหรือสติอ่อนเนี่ยมันก็เข้าไปเป็นผู้เจ็บผู้ปวดหรือว่าตามดูความคิดนะความคิดมันเกิดขึ้นอ้าดูมันปุ๊บเดียว ไหลเข้าไปในความคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งต่อไปเลยหรือบางทีตามดูก็โดยการไปเพ่งไปจ้องนะงั้นตามดูในที่นี้เนี่ยมันมันไม่ใช่การเพ่งและการเผลอครับในอารมณ์มันอยู่ตรงกลางกลางอันนี้คือทางสายกลางอันหนึง่งนะทางสายกลางอย่างที่บอกเวลาคือทางที่ถูกต้องก็คือทางที่ไม่ผิดไม่ใช่พอดีพอดีนะแต่คือทางที่ไม่ผิดทางที่ถูกต้องไอ้เพ่งนี่มันก็ผิดเผล อ, อ น, นี่ก็ไม่ถูก ก็เลยเรียกว่าไม่ใช่ทางสายกลางอันนี้การตามดูเนี่ยนะเมื่อเราตามดูอย่างมีสติเนี่ยนะโดยที่ไม่เพ่งไม่เผลอเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะพาจิตออกจากอารมณ์ได้ไม่เพีงพาจิตออกจากความทุกข์ได้เช่นเราฟุ้งซ่านเนี่ยพอเรามีสติอยู่อย่างต่อเนื่องเพลิดิดไปก็รู้รู้แล้วกลับมาสู่อิเลียบทเมื่อทําเช่นนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ย เพียงแค่การการรู้อย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พาจิตออกจากความทุกข์ได้เช่นถ้ามีสติดูเวทนาพอมีสติดูเวทนานี่มันก็ออกมาจากเวทนาได้ไม่รู้สึกเป็นผู้ปวดหรือเวลาตามดูความคิดเนี่ยถ้าเราตามดูความวิเหงความคิดมันเกิดขึ้นรู้รู้มันก็หลุด อ, ออกจากความคิดอันนี้ก็เรียกว่าน้ำออกเสียซึ่งภิชัยและโธมนักได้ความเศร้าความโกรธนะถ้าเราไม่ ไม่มีสติมันก็เราก็ล้าเข้าไปหลายเข้าไปแล้วเราก็ทุกข์เสเองแต่พอเรามีสติดูนะสติมันก็ดึงจิตออกมาออกจากอารมณ์เหล่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าการตามดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตเนี่ยมันก็เกิดผลก็คืว่านําออกเสียได้ซึ่งอภิชาธภมนัตตนี่เป็นสัตว์ในพระไตาบินโดก็ดคือจิตมันก็หลุดออกมาจากความทุกข์ได้ท่นเองอันนี้คือ ประโยชน์อย่างแรกเลยของสติก็คือว่ามันทําให้จิตเนี่ยไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะเพราะเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นความสงบก็เกิดขึ้นได้จากอันนี้นะความสงบส่วนใหญ่ที่คนเข้าใจคือสงบจากการที่ไม่ไปรับรู้อะไรไม่ไปรับรู้อยู่ในที่เงียบๆสงัดอยู่ในป่าอยู่ในห้องนะไม่มีเสียงดังถ้ามีเสียงดังนี่ก็สงบไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ย แม้อยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหูได้ยินเสียงนะตายเห็นลูกที่อาจจะไม่ถูกใจนะแต่ว่าเมื่อมีสติรู้ทันอารมณ์ความนึกคิดเช่นความหงุดหงิดความไม่พอใจนะมันก็พาจิตออกมาได้ไม่ถลำเข้าไปก็เกิดความสงบได้ท่ามกลางเสียงดังปิ่นปนล้อมที่วุ่นวายคือการมีความสงบใจเนี่ยในบรรยากาศที่สงบสงัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ปฏิบัติก็ทําได้อยู่แล้วแต่คนที่ปฏิบัติเนี่ยจะต้องทําได้ถึงขั้นว่าเออเสียงดังก็ใจก็สงบได้ไม่ใช่ว่าเป็นปฏิบัติกับเสียงดังเสียงไมโครโฟนเสียงรถยนต์เสียงรถ เ, เรื่องหรือว่าเสียงชาวบ้านตั้งตีทํางานก่อสร้างคนที่นักปฏิบัติพอปฏิบัติกับความสงบแล้วเนี่ยจะมีอาการแพ้กับเสียงเหล่านี้มากซึ่งทําให้กลายเป็นคนที่อ่อนแอคนที่ไม่ปฏิบัติ คนที่มาปฏิบัติเขาก็ทนฟังเสียงพวกนี้ได้แต่นักปฏิบัตินี้พอเจอเสียงพวกนี้นี่กระสักระสายเพราะว่าติดกับความสงบอันนี้เราไม่มีสตินะเพราะว่าไปยึดไปติดกับความสงบนะมันถลำเข้าไปแล้วพอเจอความไม่สงบเสียงดังขึ้นมาก็ไปเกาะ อ, อยู่กับเสียงนั้นแทนที่จะเ อ, อได้ยินแล้วก็วางได้ยินแล้วก็วางหรือสักแต่ว่าได้ยินจิตมาไปเกาะ พอไปเกาะเนี่ยเสียงมันก็ยิ่งดังดังดั ง, ดงมากขึ้นเพราะเราไปตรวจจอดใส่ใจกับมันเป็นพิเศษพอเสียงมันดังขึ้นอันนี้เริ่มหุดหงิดเริ่มโมโหโมโหก็ยังไม่ทันรู้ไม่ทันระลึกในอารมณ์เหล่านั้นไม่ตามดูก็ได้มันก็จมเข้าไปในไหลเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ให้นักปฏิบัติอย่าเราอย่าเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปเป็นคนอ่อนแอต่อเสียงเหล่านั้น ให้เราลึกว่าคนธรรมดาเขายัางทนได้แล้วเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติแต่ทำไมถึงอ่อนแออย่างนั้นนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมต้องไม่ใช่ทำให้เราอ่อนแอหรือว่าทำให้เราติดสงบหรือว่าติดสบายแต่ว่าเราสามารถที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งต่างๆได้ในทุกโอกาสเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะปรับจิตปรับใจของตัวคนส่วนใหญ่ไปคิดที่จะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอก เสียงมันดังก็ต้องหลีเสียงให้มันเบาหรือถ้าหลีไม่ได้ก็ต้องไปบอกให้ให้เป็นพูดเบาๆหน่อยต้องไปบอกช่างว่าให้เลิกตีเลิกส่งเสียงดังแต่ว่านักปฏิบัตินะเราเนเรื่องการฝึกตนนะอย่างที่คาถาธรรมบทเขาบอกไว้ที่ชาวนาไขาน้ำเข้าวนานะช่างไม้ก็ดัดไม้หรือไม่ช่างไม้ก็ตีไม้ช่างไม้ก็ใช้ค้อนแต่บัณฑิตทําอะไรบัณฑิตก็ฝึกตนไม่ใช่ไปบอยเขา เลอกใช้เสียงนะแต่ว่าเรามาฝึกตนปุ่นี้ไม่ได้แล้วครับว่าเรื่องสิยงมันล้อมเราไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขแต่ว่าเราก็ต้องเริ่มต้นจาการกตนของเราก่อนก็คือการมีสติตามดูจิตในจิตคืออันนี้แหละเวลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ดูมันดูมันเห็นมันไม่เข้าไปเป็นไม่ถลําเข้าไปแล้วก็ไม่ไปกดไปห้ามเดี๋ยนะไปกดไปห้ามนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ง คือการไปบังคับเพื่อที่อะให้มันเป็นไปตามใจเราคนส่วนใหญ่ก็ทํา2อย่างนี้แหละคือถ้าไม่เปลอก็เพ่งหรือไปบังคับมีความคิดเกิดขึ้นก็ไปห้ามความคิดแม่้มันเกิดเวลาเราปฏิบัติก็ลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูว่าเวลามันฟุ้งซ่านแล้วความคิดมันดับไปเนี่ยถ้ามันดับไปเร็วๆเนี่ยดับไปแบบปั๊บเล ย, เยแสดงว่าไปห้ามแล้วไปกดมันเอาไว้คนปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพอมันฟุ้งซ่านแล้วก็มีสติ มีสติรู้เข้าไปเนี่ยมันจะค่อยจางไปแล้วก็หายไปใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะจางไปมันไม่ใช่ดับปุ๊บเลยถ้าดับปุ๊บเนี่ยให้สันนิษฐานไว้แล้วว่ากําลังไปห้ามไปกดไปหยุดความคิดถ้าทํานี้ไปนานๆก็จะเครียดความเครียดนี่ก็เป็นอาการอย่างหนึ่งที่แสดงว่าปฏิบัติผิดเพราะเจรลญสตินี่มันไม่เครียดทําทั้งวันก็ยังรู้สึกเบาอาจจะไม่ได้สงบ ดืมดำเหมือนกับคนที่เล่นสมาธิแต่มันก็ไม่เครียดถ้าทำแล้วเครียดทำแล้วตึงทาแล้วหนักอันนี้ก็แสดงว่าเราทําผิดละก็ให้ถือว่าความเครียดเป็นครูอย่าไปโกรธอย่าไปโมโหวความเครียดนั้นให้ขอบคุณแล้วเขามาสอนเราว่าเรากําลังทําผิดคนเราถ้ารูท้ทําผิดทันนั้นก็แสดงว่าเริ่มจะปลุกแล้วนะถ้าไม่รู้ว่าผิดนี้ก็ยังผิดต่อไปเพียงแค่รู้ว่าผิดนี้ มันก็ถูกแล้วความถูกก็เกิดขึ้นแล้วให้เราการปฏิบัติก็ให้เราสังเกตนะดูใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการระลึกรู้อย่างรวดเร็วในสิ่งที่ได้เผลอไปหรือว่าได้ได้หลุดไปหรือว่าการตามดูตามเห็นในลักษณะที่ว่าเป็นการมีความตามรู้อย่างต่อเนื่องและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทําได้ในในชีวิตประจําวันไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาสร้างจังหวะเดินจงกรม เราจะมีเวลาในการสร้างจังหวะเดินจงกรมที่แน่นอนนะเช่นหลังชั้นมาเดินจงกรมสร้างจังหวะนะพอสี่โมงเย็นก็เลิกอันนั้นก็ทําได้นะแต่ว่าในอิเลียบ ท, ที่ไม่ใช่เป็นรูปแบบเนี่ยมันก็ยังเป็นการเจริญสติได้แล้วก็ควรทําด้วยตื่นเช้าขึ้นมาให้ทําความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นมันงัวงเงียก็เออเห็นความงัวงเงียนั้นแล้วก็อย่าถล่มเข้าไปถล่มเข้าไปแล้วลึกได้ว่า ตอนนี้เราต้องถูฟันแล้วนะอ้าวความลึกต้ามนก็ดึงให้เรากลับมาสู่ปัจจุบันไปถูฟันนะถูฟันก็มีสตินะมันเผลอคิดไปอ้าวรูนะ้กลับมากลับมาอยู่การถูฟันถูฟันแล้วก็ล้างหน้านะแล้วก็เข้าห้องน้ำทั้งหมดนี้เจริญสติไปได้ตลอดเวลาเดินเข้าห้องน้ำอ่ามีสติรู้การเคลื่อนไหวนะ ทีแรกตอนเดิมไปมันอาจาจะไม่รู้ตัวหรือ ล, ลืมตัวแต่พอเดินไปสักพักเอา้าเริ่มรู้ตัวแล้วมันจะตามมันสติมันจะมาช้าใหม่ใมันจะมาช้าใหม่ๆหม่นี่ผลพันธ์นไปก่อนแล้วค่อยมารู้ตัวทีหลังหรือค่อยมาเลลึกได้ทีหลังก็ไม่เป็นไรพอให้ทํางี้บ่อยๆทํานี้บ่อยๆมันก็จะลึกได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นต่อไปอาการทีเล็กอ่อนเช่นฝัดยุงเอามือลูกผัวหรือว่าแม้ทั่งกระพริตาเนี่ย เอาก็รู้ได้แต่อย่าไปรู้ก่อนนะอ น, นังสังไปไปจ้องไปเพลงล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตามมาทีหลังอันนี้เราตามดูตามดูตามรู้อาชีพประจําวังเราเนี่ยให้เป็นการเจริญสติไปด้วยไปบินตาบาก็ถือว่าเป็นการเจริญสตินะเป็นการเดินจงกรมไปด้วยอันนี้มันก็จะกายทําให้เกิดสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสติกับสัมปชัญญะนี่มันเชื่อมโยงกัน มีสติก็คือตามดูกายในกายมีสัปชัญญะก็คือรู้รอบหรือรู้ตัวทั่วพร้อมผู้เจ้ากอธิบายว่ารู้ตัวทั่วพร้อมในการเดินไปข้างหน้าถอยกลับไปข้างหลังในการคู่ในการเหยียดในการทรงสังคติจีวรในการกินการดื่มการลิ้มการเคี้ยวในการไปการมาในการหยุดการนิ่งคือทุกอย่าง ที่เป็นอิรียบทหรือการเคลื่อนไหวนะในส่วนกายนี่ก็รู้รู้แบบรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่ไปเพ่งที่จุดในจุดหนึ่งเช่นเวลาเดินก็ไม่ใช่ไปเพ่งที่เท้าแต่มันรู้ตัวทั่วไปหมดไม่ใช่ที่จุดใดจุดหนึ่งถึงเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็รู้ชัดว่าไปไหนจะไปทำอะไรเวลาก้าวเดินก็รู้ว่าจะเดินไปไหนอันนี้เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่เดินไปโดยที่ไม่รู้หรือขับรถนี่ก็ขับรู้ว่าจะไปไหน บางทีมันขับขับไปรู้ว่าจะไปไหนทีแรกแต่ขับขับไปถึงเวลาเลี้ยวไม่เลี้ยวเพราะว่าเผลอไปกับป้ายเผลอไปกับสิ่งภายนอกหรือว่ากํกลาลังโมโหคนขับรถที่มันปาดหน้าก็วิ่งไล่ลืมไปเลยลืมไม่ต้องเลี้ยวเข้าบ้านนะหรือเลี้ยวไปธุระที่อื่นอันนี้ก็เรียก ว, ว่ามันเกิดจากความเผลอพอเผลอแล้วเนี่ยในความรู้ชัดในสิ่งที่ทำที่ว่าสนาปัญญามก็หายไป แต่ว่าก็มันไปด้วยกันอยู่แล้วถ้ามีสติกับสัมปชัญญะก็ตามมามันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นฝาแฝดบางทีเราก็เรียกลมๆกันนะรู้ตัวทั่วพร้อมเราลึกรู้ตื่นรู้เราเรียกว่าสติบางทีมันก็เป็นสัมปชัญญะมากกว่านะแต่ว่าเขาจะไปติดกับคำให้ใช้ประโยชน์นะจากสติและสัมปชัญญะด้วยการสร้างมันขึ้นมาเราลึกได้ไวๆแล้วก็ตามดูตามรู้นะอย่างต่อเนื่อง แตไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทําไปเรื่อยๆใหม่ๆมันผิดมากก็ถูกนะจะไปโมโหจะไป ง, งุ่นเกดตัวเองให้เอาผิดเป็นครูให้ให้มั่นใจว่าถ้ารู้บ่อยๆรูๆ้บ่อยๆรูๆ้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะจําได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้าตามดูอยู่เรื่อยๆใหม่ๆก็จะหลุดไปหลุดหลุดแต่ว่าทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อย ๆ, อยๆมันก็จะได้ผลทีลทลิงนิทเชิงนิทเหมือนกับเติมน้ํา น้ำชีริยดชีริยดชีริยดพอมันสสมมากคอมก็กลายเต็มตุ่มได้เต็มอกได้